Book two. C. Otri. o t i ที่โรงเรียน s c o l a c c i Scollacci. เราอยู่ที่ไหน Sadvard. Sadvard. เราอยู่ที่โรงเรียนสคลาชิวาร์ตสคลาชิวาร์เรากำลังเรียนหนังสือคาควทิลิกวากสควทิลิกวกสนั่นคือนักเรียนเอเซนีมุสซาเวเลบิอารยนเอเซนีมสซาเเบอารยน นั่นคือคุณครู is m a s l b a s master o l b a นั่นคือชั้นเรียน is classia s l class a s s i a เรากำลังทำอะไรอยู่ Rasvaketipt เทเรากำลังเรียนหนังสือวาวลบวาวลบเรากำลังเรียนภาษาเอสวาวลบเอสวาวลบผมเรียนภาษาอังกฤษเมวิาวลบอิลิสรส คุณเรียนภาษาสเปนเนตาวลบอิสปานูสเนตาวลบอิสปานูสเขาเรียนภาษาเยอรมันอิสสตาวลบส์เกร์มานูสอิสสตาวลบส์เกร์มานูส เราเรียนภาษาฝรั่งเศสทควเเเนนสตสาบพลวอบพรังกลสพวกคุณทุกคนเรียนภาษาอิตาเลียนทควเนนสตสาบลอทตอิตา ล, ววตลอุลส พวกเขาเรียนภาษารัสเซียที่นี่สตโลเนรุลสตโลเปนรสุลสการเรียนภาษานั้นน่าสนใจเนบิสาวลานเรัวเนบิสาวลานเรัว เราต้องการที่จะเข้าใจคนอื่นๆชเวนกวินดาเวสมอดิสเอิร์ธมานทิสชเวนกวินดาเวสมดสอาดามอเนิสเราอยากจะพูดกับคนอื่นๆชเวนอาดามอนเนันลาปารากิกวินดาชเวนอาดามิอเนันลาปารากิกวินดา